พระบัญญัติ543ก็ภิกษุใดใช้ทำสันถัดผสมยยใยไหมต้องอบัตนิสกิยปาจิตตีเรื่องพระชะพคีจบ